อันไหนมาก่อนความคิดกับความรู้สึกันไหนมาก่อนความคิดมาก่อนเวลาเราเกิดมาเราคิดเลยใช่ไหมเวลาเราเกิดมาเราคิดเลยหรือเปล่าเพราะถ้าดูให้ดีวความคิดกับความรู้สึกอันไหนมาก่อนเราไม่ได้เห็นนะเวลาเกิดมาเวลาเราไม่รู้สึกตัวหมอทำไงตุ่ม ถ้าเรายังไม่รู้สึกตบอีกเนีตบจนกระทั่งว่าเราว้องรอมาว่างไงอาแวเอาแวฉันรู้ตัวแล้วฉันรู้แล้วอาแวเอาแวเราเรียกไปเรียกมาเพี้ยนก็กลายเป็นอูเอเ้แแวหลายคนพีมพ์ว่า I'm aware I'm รู้แล้ว I'm แว่ I'm แว่สมัยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านเดินไป ที่ไปปวดไปหาเพื่อนท่านห้าคนนะท่านปัญจวัคียจะไปเอาเรื่องที่ท่านรู้นี่แหละไปบอกเพื่อนเพราะตอนแรกท่านก็ทรมานตัวเองโยจะแล้วจะล้ม จ, จะตายท่านก็เลิกว่ามันไม่ใช่ทางพอเลิกทรมานตัวเองนเนี่ยปัญจวคีย์ก็หนีเลยเข้าใจว่าท่านคงทําเต็มที่แล้วคงไม่ได้อะไรนะคงจะหมดความเพียรแล้วเพื่อนก็หนีพอท่านอยู่คนเดียวท่านก็มาสํารวจใหม่ว่า เราก็ทำมาอะไรที่ความเพียรที่ว่าเคร่งที่สุดในโลกเนี่ยไม่มีใครทำเกินเกินท่านอ่ะอือเก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นไหไรทำแบบไหนดีเออท้านก็เปลี่ยนวิธีมาดูมาดูสองอย่างคือความคิดกับความรู้สึกเมื่อก่อนนะ้าท่านไม่ได้ดูนะก่อนที่ท่านจะมาดูอันนี้ท่านได้ได้สัญญาณอันหนึ่งท่านบอกว่ามีอะไรนะพระอินลงมาดิดพินใช่ั้ย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 เสร็จแล้วก็เมื่อสายนี้มันอเมื่อสายนี้มันมันยานดีดไม่ดังไม่เพราะไอ้คนดีดเมืเ่อกี้หมุนอีกสายนึง่งเปิดเบาเก็ได้นะใส่กันไม่ต้องเปิดแรงหมุนอีกสายหนึ่งปรากฏดี ด, ดอีกทีนี้ดีดปิ้งเดี๋ยวนี้ขาดเลยโอ้สายนี้ทําาสตึงเกินไปแล้วแล้วหมุนอีกทีนี้หมุนพอดีพอดีดีด ปิ้งวิ่ ง, ง, ง, งมันก็ เ, เพราะท่านได้ยินเสียงแค่นั้นน่ะท่านเกิดปัญญาเลยว่าโอ้สายแรกมันหยาดเกินไปดังไม่พอเลยสายที่สอง้งสายว่ามันตึงเกินไปดีทีเดียวขาดเลยสายที่สามไม่ื่ น, นสายนี้เข้าท่าฟังแล้วเพลา ะ, ละดังไปเลเอสมัยเราใช้ชีวิตเป็นเครื่องหัน่น มันก็คงอย้อนย่อนอยานเกินเลยอยากกินก็กินอยากเล่นก็เล่นอยากพูดก็พูดอยากไปก็ไปมันก็เลยเป็นชีวิตที่ย่อนอยานเป็นชีวิตที่ไปตามอยากแล้กรรมสุขานิการุโยกสายนี้ก็ไม่สามารถจะพบความจริงได้เพราะหย่อนอยานเกินไปเวลาขั้นเราออกบวชแล้วเนี่ยเราปฏิบัติเสร็จโอ้โหแทบล้มแทบตายเลยจะกระ ท, ทั่งว่าชีวิต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 ท่นก็ต่างความผิดมาจากไหนตามไปดูดูดูใจไอใจก็ดูมันว่างๆมาดูกายใจมันไม่มีอะไรว่างๆเฉยๆมาดูกายเอ้กายมันมีอาการหนักๆมีอาการร้อนๆมีอาการหนาวๆมีอาการเจ็บๆทุกนั้ น, นทุกนี้เอ๊ะอะไใจไม่เป็นแต่ใจกายมันเป็นน่ะ พอเจ็บหนักๆหนอใจสักไม่สบายใจเริ่มมีความคิดอ๋อความคิดก็มาจากกายที่มันเป็นทุกข์นั่นเองอ่ะเริ่มเห็นอ๋อเห็นแล้วความคิดมาจากกายที่มันไม่สบายมันเปลี่ยนแปลงมันแปรปรวนกายเนี่ยมันเหมือนคนป่วยตื่นขึ้นมาก็ปวดนั่นเจ็บนี่คันนั่นหนาวร้อนใช่ไหมโยมตื่นมารู้สึกตัวไหมว่าเป็นไงสบายหรือไม่สบายโดยเฉพาะคนที่สูงอายุใช่ไหม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 สาวคนนี้ไปบ่าวคนนี้ไปปิ้งไก่สาวคนหนึ่งก็ เ, เกิดความชอบแต่ดูมามาหลายชายคนเนี้ไปดูเห็นมาร้อยสาวพันสาวก็ไม่ปิ้งแสดงว่าความพร้อมที่เกิดก็ยังไม่มีใช่ไหมผ่านมาอย่างโยมก็จะแต่งงานกันได้เนี่ยโอ้ผ่านคนรักมันไม่รู้กี่คนใช่ไหมแต่มันไม่ปิ้งแต่วันหนึ่งเกิดมันปิ้งขึ้นมาเนี่ยเอาละที่นี่เริ่มต้นละที่นี่การเกิดเริ่มต้นพอชายคนนี้ มาเห็นเราเรากระชอบหญิงคนนี้ไม่เห็นชายก็ก็ชอบความเกิดเป็นทุกเกิดความชอบขึ้นมาก่อนใช่ไหมสุขขังอะ่ะเกิดความสุขขังเวทนางเว ท, ทียมโนเมื่อความรู้สึกสบายความชอบใจเกิดขึ้นเราไม่รู้ทันเพราะความสบายกายเนี่ยก่อให้เกิดโสมนัสคือความชอบใจ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 เมื่อก่อนสมัยนี้มาทันสมัยใช่ไหมเมื่อก่อนต้องเดินทางไปหากันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ลายใช้ facebook ใช้อ e ีเมลใช้เว็บไซต์า ite, หากันตลอดวันไหนไม่ได้เขีย่ยไม่ได้คลิกหากันโอ้มันจะได้ให้ได้เนี่ยมันเริ่มซีเรนิตี้เล น, ลนิมันไฮเทคมันทำให้ความรักความชอบมีความหมุนเร็วติ้วยิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ฟรีควอซีของความชอบไม่ชอบเนี่ยมันถูกตอบสนองมันจึงรุนแรงมาก โอ้ตรงนี้พระองค์เห็นได้บรรลุตรงญาณที่หนึ่งแล้วปุเพนิวาสานุสติญาณว่ากายนี่มันม่าได้อย่างไรใจนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรความคิดเกิดขึ้นได้ไรและกายของฉันเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรเกิดจากความชอบไม่ชอบของเรานั่นเองแล้วเกิดมาแล้วความชอบไม่ชอบติดใจเรามาไหมติดใจติดใจเรามาสัญญาณแรกที่สุดเราชอบเกิดมาเราอยากกินอะไร ถ้าแม่ไม่เอาน้ำหยดปากเรารอดไหมเราหิวอ่าน้าหยดปากเขายัางไม่อิ่มเอาเอาะไรหยดเอานมหยอดอีกอสัญญาณแรกของความอยากมาจากความหิวความหิวเป็นความรู้สึกของกายหรือของใจกายความหิวถูกบำบัดก็เกิดความสบายเวลามันหิวเกิดขึ้นเรามีสติพอจะรู้เท่าทันไหมไม่สมัยที่เราใหม่ๆ แม้แต่ว่าโตมาแล้วแก่มาแล้วไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเกิดความหิวอ่ะใครเป็นผู้หิวกายหิวหรือฉันหิวกายมึงหิวแต่ว่าเวลาเราไม่รู้เราทานเป็นกายเป็นใครหิวฉันหิวกูหิวมึงหิวพระหิวเอาวละทีเนี่ยความอยากมันเกิดมาจากความหิวความหิวเป็นอาการของกาย แต่เราไม่มีสติตามรู้รับทานอาการหิวของกายความหิวก็กลายเป็นความอยากความหิวเป็นสมุทัยของทุกไหมเป็นเหตุให้เกิดทุกไหมไม่เป็นเพราะมันเป็นเพียงไตรลักษณ์แต่ความอยากเป็นสมุทัยความหิวไม่ใช่สมุทัยความหิวเป็นกฎของไตรลักษณ์กฎของไตรลักษณ์เป็นกฎของรูปทั้งหมดรูปมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่เอาการเกิดของกายเป็น สมุทัยแต่เอาการเกิดของความอยากเป็นสมุทัยคือตัณหาทั้งสามไม่เอา ท, ทุกเวทนาทั้งสามมาเป็นสมุทัยแต่เอาตัณหาทั้งสามมาเป็นสมุทัยอพอจะตามรูอย่างนี้เปลูกยากที่หนึ่งท่าก็ตามไปดูอีกว่าเออแล้วไอความพอใจความไม่พอใ จ, ค ว, อใจความสุขความทุกข์เนี่ยไอรูปเนี่ยท่านตามไปอีกนะ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 นี่กรรมจิตเข้าไปรับรู้ว่าเออนี่ทันย้ายขาอย่างนี้ฉันรู้สึกสบายนะจิตเข้าไปรับรู้อุจุอากาศตรงเนี้ยถ้าร้อนแรงเกินไปเป็นเหตุให้เกิดไม่สบายก็มาห า, า, หาพัดล ม, มาหาห้องแอร์สบายอ๋ออุจุก็เป็นสาเหตุที่ความสบายไม่สบายของกายวันนี้เวลาเจ็ดโมงแปดมงเก้าโมงไม่ได้ทานอาหารรู้สึกเป็นไงโอ้ไม่มีเกี๊วข้าวเลยวันนี้เขาไม่ได้ทํากี๊ข้าว รู้สึกไงนักปฏิบัติ <c oughs> รู้สึกไงอย่าว่าแต่นักปฏิบัติอย่าว่าแต่ผู้มาปฏิบัติแม้แต่ภาคปฏิบัติชํานาญถึงเวลาไม่ได้ฉันเป็นไงพระก็คิดละใช่ไหมเอ๊ะทาไมถึงเวลาฉันไม่ได้ฉันอ่ากรรมจิตอุตุอาหารเป็นเหตุให้เกิดความสบายหรือไม่สบายทางกายด้วยแล้วไม่รู้เราไม่ตามกําหนดรู้กรรมจิตอุตุอาหารมันก็เกิดให้ความอยากทางจิตความไม่พอใจทางจิต อยากจะได้กินไม่ได้กินเป็นความทุกข์ทางจิตอ่าตามหมดตรงนี้กรรมจิตอุตัวอาหารทําให้เป็นสาเหตุของทุกข์ของรูปของนามท่านสืบไปสืบมาแล้ว ก, กรรมจิตอุตัวอาหารมาจากอะไรอีกนี่คือวิธีการท่านสืบสออเข้าไปมาจากอะไรมาจากการกระทบอ่ามาจากการกระทบของสองสิ่งการกระทบเกิดจากเกิดมีการเข้าว่าเกิดแล้วมีการเขาว่าดับเกิดขึ้นอ่าการเกิด การดับอะไรเกิดความคิดเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดความหิวเกิดแล้วความหิวอยู่ได้ไหมสักพักหนึ่งความหิวก็ดับไปความอยากเกิดขึ้นมันก็ดับไปแต่มันการเกิดดับของความหิวความอยากมันมีความถี่สูงมากเรียกว่าเป็น high frequency เมื่อมีความถี่สูงแล้วเราก็เลยกำลังของสติปัญญาที่เราไม่ได้ฝึกมันมีความถี่ต่า เมื่อความถี่ต่ําเราก็ไม่สามารถจะรู้เท่าทันความเป็นไปของกายของใจความสบายไม่สบายเราจึงมาฝึกอะไรฝึกสติให้เกิดความถี่สูงพอๆเท่ากับจิตเพราะนั้นสติึที่ว่าในวันก่อนสติแปลว่าอะไรนะแปลว่าวิ่งแปลว่าเล่นใช่ไหมเพราะสติมาจากคําว่าสราธาตุแปลว่าสอนสคสาราลอเลือ แปลว่ารูปสอนสติแปลว่าแหลนพอไปลงติปัใจจัยในอาขยาตตามภาษาบาลีเราเลือหายไปเหลือแค่คำว่าติเป็นสติแต่รากเดิมเดอรู้เดิมของคําว่าสติมาจากคำว่าสระแปลว่าสอนแปลว่าแห่นแปลว่าวิ่งสติแปลว่าภาวะที่วิ่งไปทันจิตไม่มีอะไรที่จะวิ่งไปทันจิตได้นอกจากคําว่าสติ สติจึงแปลว่าวิ่งแปลว่านั่นแต่ถ้าสติตัวนี้มันไปลงณปัใจจัยในอากาศมันเหลือรอเรือเอาไว้เราจึงเรียกว่าสาระอะไรสาระนนนณปัใจจัยในอากาตบาลีเป็นสาระฉะ น, นั้นคาว่าสติกับสาร ะ, ะเป็นคําเดียวกันหรือคุณลคําเป็นคําเดียวกันแต่ลงปัจจัยคนละตัวติปัจจัยไปลงแล้วมันลบ หลังธาตุหนึ่งตัวเหลือคําว่าสติแต่พอไปลงหน้าปัจจัยมันรักษาธาตุหลังเอาไว้เป็นสราระเพราะนั้นสติจึงคือพุทธังสารังคัจฉามิสติเป็นที่พึ่งของเราธรรมังสรารังคัจฉามิพระธรรมคือสติเป็นที่พึ่งของเราสังขงังขาสารังคัจฉามิกายกับใจรูปกับนามาเป็นสังขากันเป็นที่พึ่งของเราเพราะนั้นพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงคืออะไร ก็คือสติอ่าเราเจริญสติอย่างเดียวพระพุทธธรรมพระสงเกตรไหมเกิดแล้วเราสงสัยไหมเราก็ยังสงสัยเพราะเราไปรู้แต่พระพุทธรธรรมพระสงฆ์ที่ไหนข้างนอกใช่ไหมพระพุทธคือทองคําพระธรรมคือใบลานพระสงฆ์คือลูกหลานชาวบ้านที่มาป่วยเราก็ไปเอาพระพุทธธรรมพรสงฆ์ตัวนั้นมาเป็นที่พึ่งแล้วพึ่งได้ไหมไม่ได้พระต้องพึ่งโยมพระอยู่ไม่ให้ที่พึ่งพระอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเออไม่ให้อาหารไม่ให้ปัจจัยสีพระอยู่ได้ไงอ่ะ ใครพึ่งใครกันแน่โยมพึ่งพระหรือพระพึ่งโยมกันแน่ใช่ไหมพระพุทธคือทองคําเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ไปซื้อมาท่านจะมานั่งทุงนี้ได้ไงเราก็ไปซื้อมาพระพุทธคือทองทคําพึ่งใครก็พึ่งเราอีกเราต้องไปซื้อมาตั้งไว้พระธรรมคือเวลาพระธรรมดุจในตู้ถ้าเราไม่ซื้อมามาตั้งตุนนี้ได้ไม่ได้พระพุทธธรรมประสงค์ภายนอกพึ่งเราหมดแล้วหรือว่าเอาพระธรรมประสงค์ที่พึ่งพึ่งยังไงมันกลับกันใช่ไหมพอเรามาเข้าใจธรรมะตรงนี้โอ้พระพุทธ พุทธัทงสังฆฉามิขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาภาวะรู้ตื่นบิกบานเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้เพราะเราเจริญสติให้รู้ตัวใช่ไหมพอ ร, รู้ตัวก็ตื่นตัวพอตื่นตัวก็เปไงเบิกบานใจอสติคือพุทธะธรรมะธรรมังสังฆฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเป็นที่พึง่งถ้าธรรมก็คือภาวะที่ทรงสติไว้ธรรมะ มาจากธร่าธาต์แปลว่าทรงไว้การที่เราทรงสติไว้ได้นานๆมันกลายเป็นตัวสภาวะที่เรียกว่าสมาธิสมาธิคือพระธรรมแล้วความรู้สึกตัวคือพระพุทธใช่ไหมสมาธิที่ทรงไว้ทรงสติไว้นานๆจนกระทั่งรักษาจิตไว้ได้ไม่ให้ว่าแวกนไวทางอื่นเป็นสติกลายเป็นสมาธิสติแปลงเป็นตัวสมาธิแล้วสังขังสรณงคัจฉามิ สติมาทรงรักษาสัง้ะคือรูปกับนามเอาไว้สัง้ะในปรมาติ์คือรูปกับนามคือกายกับใจมาสัง้ะกันมาสามัคคีกันกายกับใจก็เลยอยู่ด้วยกันพะกายกับใจอยู่กันสติก็เกิดเป็นตัวตัวรูปคือรูปกับนามมาสังฆะรูปนี้มีสติและมีสมาธิก็ก่อให้เกิดตัวที่สามคือปัญญาโอ้ถ้านำดับไปแล้ท่านทะลุเลยเห็นว่า อาการทั้งหลายทั้งปวงมันมีเป็นการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของการเกิดดับตลอดเวลาท่านเลยเห็นการเกิดดับเราเรียกยานที่สองว่าจุตูปปาตญาจุติแปลว่าดับอุบัติแปลว่าเกิดเอาคําว่าจุติก็อุบัติาาาตตมาบวกกันเป็นจุตูป ป, ปตาตญาบรรลุยานที่สองในเวลาตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีสอง หลังจากนั้นเ้าก็เลยอุปราสว่างขึ้นมาเอ อ, อ, อ, อฉันไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนเลยนะแล้วก็ตามดูจิตที่มันเกิดมันดับด้วยความเร็วที่สูงมากจนกระทั่งเห็นอ๋อทั้งนั้นจิตที่มันเกิดมันดับถ้าหากว่ามีสติมีสัมผัญย่เข้าไปรู้มันก็เป็นการเกิดดับของอะไรอย่างปัญญาเกิดขึ้นเกิดดับของตัวรู้แต่เมื่อก่อน ไม่มีการสติเข้าไปสํารวจนี่มันจิตของเราที่มันเกิดมาดับเป็นการเกิดดับของตัวอะไรตัวไม่รู้อวิชาก็ให้เกิดอาสวะธรรมใช่ไหมต่อเรื่อเมื่อเกิดการเดับของตัวรู้สึกตัวที่เราทำเนี่ยมันเห็นอยู่ก็สามารถทําลายอาสวะได้นี่เพียงแต่เอาตัวรู้เข้าไปแทนตัวไม่รู้อาสวะก็หมดเกิดยานที่สาอาสวะขย้ายานพระ อ, องค์บรรลุตั้งแต่ ตีสองถึงตอนเช้าของวันสิหเข้าเดือน6ท่านก็เลยบรรูุ้ธรรมด้วยอาการรู้ยาทั้งสาตรงนี้เองยากไหมที่หลวงพ่พูดมาในยากไหมไม่ยากเข้าใจได้แต่ทําไมนราไม่สอนอางยากเหลือเกิน mm hmm. ก็เพราะรู้แบบไม่รู้มันก็เลยพูดแบบไม่รู้พูดรู้แต่ไม่รู้รู้แต่ปริยัตแต่ไม่รู้ปรมมะดะโอตรงนี้เองเราก็สืบสารพระเจ้าตรัสรู้อย่างไร พอจับเขาตรงนี้ได้มาก็โอ้โหหลวงพ่อเทียนพูดคำว่าสติคําเดียวครอบคลุมทั้งหมดแล้วท่านสอนคาเดียวมาตลอดชีวิต30ปีตั้งแต่พศสองพยถึงพศสองพมสอดท่านพูดเรื่องเดียวคือเรื่องสติแล้วมีใครสักกี่คนฟังท่านใช่ไหมแต่พวกเราโชคดีที่ได้ฟังท่านแล้วทําความเข้าใจตั้งแต่นั้นมาเอามาเรียนอะไรมาทั้งหมดมาเลิกหมดเลยนะทีแรกว่าเรียนจแล้วไปทำวิยา โ, โทวิยาเอกต่อไม่ต้องเลิกเลย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 เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเปลี่ยนแปลงแตกดับตลอดเวลาขยะวิยะธรรมมาเธอทั้งหลายอปมาเทนะสัมปาเทธะให้เจริญสติตลอดเวลาอปมาเทนะแปลว่าความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือไม่ขัดสติท่านจะบอกว่าเจริญสติก็คือเจริญความไม่ประมาทตลอดเวลาโอ้เห็นหเป็นคาแรกและคาสุดท้ายนะ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 โยมนั่งรถจากที่นี่ไปถึงกรุงเทพอาจจะ5ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงถึงใช่ไหมแต่ถ้าโยมเดินไปอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่เดือนหนึ่งอาจจะถึงนะกรุงเทพใช่ไหมก็ยังดีเข้าไปถึงกรุงเทพเพราะเราจะไม่หลงทางช้าช่ามันเหมือนกันเพราะเราจับต้นทางไม่แล้วนาะครีพบ ก, กีชาติก็ช่างมันเราจะไม่เกิดในนรกอย่างน้อยพรเราได้รู้จักนี้อย่างน้อยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี่ไม่ตกนรกแล้วนะเราสามารถจะไปแม้ไปเกิดได้แต่ด้วบอกว่าไม่เกินเจ็ชาติหรอก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 หย่อนยานเกินไปแล้วอย่าไปตึงเกินไปให้เอาฐานสายกลางให้พอดีในคําว่าพอดีนี่มันขนาดไหนพอดีใครพอดีมันไม่ใช่เอาพอดีของธรรมานะโยมก็ต้องเอาพอดีของโยมอรตามาทานข้าวสามจานอิ่มมือหนึ่งแต่โยมอาจจะจานเดียวก็อิ่มอ่ะใช่ไหมแต่อนามาไปทานแบบจานเดียวของอรตามานี่ไม่ได้โยมอาตามาก็หิวแต่โยมจะมาทานสามจานแบบธรตมาก็ไม่ได้อิ่มเกินไปพอดีใครพอดีมัน เพราะนั้นการปฏิบัติล้วแสวงห้ความพอดีของตัวเองมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางที่ท่านก็ให้จำกัดความหรือ definition เอาไว้ว่าทางคําว่าทางสายกลางเนี่ยอย่างไรเรียกว่าสายกลางนะอย่างไรเรียกว่าสายกลางแล้วรู้ไม่ตึงไม่หย่อนมนุษ้ฟังแล้วกากวมนะท่านบอกว่าทางสายกลางมาดูตรงด้ว่าหนึ่งสัมมาทิฏฐิให้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 ให้เห็นอย่างนี้ก่อนนะสองทุกข์นี่มันมาเองไหมคือมันมีที่ไปที่มามีที่ไปที่มาสองสมุทัยเห็นให้เกิดทุกข์ของเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรเหตุของทุกข์ทางกายก็คือกรรมจิตอุตตูอาหารว่าไปเมืม่อกี้แต่เหตุเกิดทุกข์ทางจิตมีอยู่สามคืออะไรความอยากแล้วก็ได้สมอยากแล้วก็ไม่ได้สมอยาก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 เมื่อเปลนเปล่าแตกดับตลอดเวลาก็ให้เกิดความสบายไม่สบายเมือเ่อสบายไม่สบายแล้วก็ปรับหาการปรับหานี่เองเรียกว่าการบําบัดดังที่กล่าวไปเมื่อวานการบำบัดมีสองลักษณะหนึ่งถ้าบําบัดด้วยความไม่รู้การปรำบัดนั้นกลายเป็นอะไรสันอะไรลืมละสัญชาติตยานแต่บําบัดด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวการปรับเหล่านั้นก็ให้เกิดปัญญาญาณ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 ปัญญาญาณเพราะฉะนั้นเราจึงทํำตอลอดเวลารู้ตอลอดเวลาเพราะถ้าเผลอนิดความไม่รู้มันก็เข้าแล้วถ้าถามว่าจะจบเมื่อไหร่หลวงพ่อเดินสร้างจังหวะเดินโยกมุมนะบางคนทําไปคนมันเบือ่อเนาะขี้เกียจทําอะไรช้าๆซากๆ น, นานๆมันเบื่อแล้วจบเมื่อไหร่หลวงพ่อเดินโยกมุมสร้างจังหวะเมาเห็นมันจบเลยถามว่าโยมหายใจเนะี่ยโยมจะจบเมื่อไหร่โยมกินข้าจะจบเมื่อไหร่เคยถามตัวเองไหมไม่เคยถามเหมือนกันอ่ะถ้าโยมไม่อยากจะทุก ก็โยมก็ต้องรู้ตัวตวลอดเวลานะแต่ถ้าจะรู้ด้วยวิธีไหนเนี่ยไม่จําเป็นจะสร้างจังหวะโดยจูคุมตลอดเวลาอยู่ทําอะไรก็ได้รู้ตัวเก็บอัศนะรู้ตัวได้ไหมรู้ได้จัดอัศนะได้การเคลื่อนไหวมีตั้งหมื่นทั้งแสนรูปแบบแต่ว่าทําไมต้องมายกมือเพื่อว่าอันนี้เป็นรูปแบบตั้งต้นท่านเองเขาเรียกเว่าเป็นต้นไม้เ่ยมันขึ้นต้นเดียวใช่ไหมกิ่งใบมันเท่าไหร่ เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมอันนี้การสติคือความรู้สึกตัวอันเดียวนี่แหละแต่มันสามารถไปแยกเป็นตัวรู้เป็นหมื่นเป็นแสนรู้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปจับทุกขณะไหมหายใจรู้ตัวได้ใช่ไหมปีนไส่ไร้ขอยหยิบนู่นหยิ บ, น, ยบนี่รู้ตัวได้ไหมรู้ได้ภาพตาปากรู้ตัวได้ไหมได้นั่งนี้เย็นแล้วนอนแข็งเคร่งตึงรู้ตัวได้ไหมได้นั่นเห็นไหมตัวรู้เกิดได้ตลอดเวลาแต่ว่าเราต้องคอยอะไร พอมีสติกระตุ้นให้ระลึกรู้เท่านั้นเองพอมารู้อย่างนี้โอ้พระพุทธเจ้าได้บอกความจริงอันนี้แกเ ร, เราเราก็เลยไม่สงสัยในสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนเพราะว่าตรงเป๊ะกับสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้เลยนะพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดแต่ถ้าหาว่าใครมาสอนเรื่องสามอย่างเนี่ยอันนั้นหมายความว่า พุทธเจ้ายังอยู่อันนี้พุทธเจ้าจัดนะอุปาทาวาพิกเวตธาคณังตธาคตานังอนุปาทาวาตธาคตานังฉันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามแต่สิ่งสามสิ่งที่ทำงานตลอดเวลาสิ่งนั้นคืออะไรทิตฐิภาาธาตุธรรมดิธรรมนิยามตาสิ่งนั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามีการสอน อนิจจังทุกขังนั้นตาได้และยังเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังหน้าตาได้ก็แสดงว่าคําสอนพุทธิยากษยังอยู่นั่งไปตอนแรกสดชื่นดีอัาวเมามันเหงามันหามันเป็นอะไรเป็นอนิจนาานจังทุกขงังห น, น, น, น้าตาอนิจจังทุกขังที่ตามันเกิดขึ้นเราตามรู้อนิจจังทุกขังตากลายเป็นสติสมาธิปัญญาแต่ถ้าไม่ได้ตามรู้อนิจจังทุกขังาตากลายเป็น พิชาและโทมานต์หรือกลายเป็นราคาโทสาวโมหะทันทีเลยนะเพราะนั้นตัวแปรที่สำคัญที่สุดคือตัวรู้เราจึงรู้เยอะๆอย่างไงไม่ใช่รู้เยอะๆอยู่บ่อยๆรู้จนไม่ลืมนะรู้จนไม่ลืมแต่ทำไมดูเป็นเรื่องง่ายแต่ทำไมทำยากเพราะอะไรไอ้หนูนั่งไม่สวยเลยนั่งใหม่เออ่อมาตรงกลางนี่ยันทัพิงเธอยังหนุ่มสาวอยู่ไปนั่งแบบคนแก่ไม่ได้ นั่งให้ตัวตรงหายใจให้ลึกให้สงงาพาวเผยไปทำชอมซอ้ออย่างนี้มันหมดสภาพนะทำให้กับพี่กบเปล่าตื่นตัวนะคนมีสดิต้องเบิกบานแจม่มใสไม่ใช่ทำหน้าหิ้วคิวขมวดนะล้วจะเห็นว่าการฝึกไม่ยากแต่มันยากตรงไม่มีคุณสบัต5ประการหนึ่งศรัทธาเรายังไม่พอการฝึกยิงยาก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 ต่อเนื่องทั้งหลายๆชั่วโมงเนี่ยถ้าความเพียรความรักไม่พอความเพียรก็จะไม่พอเราลักลูกรักพ่อรักแม่รักผัวรักเมียเนี่ยักต่อเนื่องเป10ปีที่ตลอชีวิตเรายังรักได้เลยใช่้รักตัวเองรักสติทำไมจะรักไม่ได้นะ่สองความเพียรเราไม่พอความรักหนึ่งความรักไม่พอ2ความเพียรเราไม่พอส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 เราปาราความเพียรได้อย่างไม่ทอ้อถอยแต่เปิดกี่วันหนวงพ่อทำมันนี่ตั้งแต่ปีพศสองอยี่สะะ่ะจนถึงเดี๋ยวเนี้ยกี่ปีแล้วถามว่าเคยเบื่อไหมไม่เคยเบื่อมีแต่คิดถึงมันถ้ารักหนูรักสาวนี่ยังคิดเบื่อกันว่างใช่ไหมเออพอมีลูกสักคนนะเออแต่คนทั้งอยู่ก็แล้วกันอ่าแต่ตอนที่ไม่มีลูกด้วยกันโอ้รักกันเหลือเกินเหมือนกันอะสติเราจะต้องรักขนาดนั้นเป็นรักอมาตะ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 ควคิดเริ่มตกตะกอนตกตะกอนตัวเราก็เบาใจแล้วก็เบาสบายเรียกว่าปีติเกิดความเบาความสบายปีติเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งใจทําเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะอนี้ขึ้นมาน่ะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเป็นธรรมชาติเป็นเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ไงเราก็ยังพอใจที่จะคิดอยู่พอใจที่จะนึกอยู่ก็คิดก็นกึกก็อ่าไม่ไม่ว่ากัน แต่ว่าเหมือนกับคนเคี่ยวน้ํามันอ่ะมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนกะทิให้เป็นน้ํามันถ้าคุณไม่ดูแลไฟอ่ะมันจะแยกได้ไหมตัวแยกต้องใช้ไฟแต่สมัยนี้เขาบอกว่าไม่ต้องใช้ไฟนะ <Yeah. S 1> เขาเรียก <Yeah. S 1> ว่าอะไรโคเฟลตอ่ะมันเป็นน้ํามันบริสุทธิ์ไหมโคเฟลตเนี่ยไม่บริสุทธิ์เป็นน้ํามันตกตะกอนนะเพราะฉะนั้นน้ํามันที่บริสุทธิ์คือ น, น้ํามันที่ผ่านไฟที้ผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นตัว รู้ที่บริสุทธิ์ต้องผ่านความเพียรเพราะความเพียรเหมือนไฟขณะที่โยงทําเนี่ยรู้สึกสบายไหมไม่สบายหรอกเดี๋ยวห่วงเดี๋ยวเงาเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเล่าร้อนตลอดอนั้นคือไฟแต่เราจําเป็นต้องมีใช่ไหมคนไหนเพียรแล้วรู้สึกสบายมีความสุขนี่ไม่ใช่ล้วแสดงว่าไฟไม่ไฟอ่อนนะทําแล้วรู้สึกโอ้มันห่วงเหมันเงามันเบื่อมัอนซึ้งมันขี้เกียจปวดเมื่อยทั้งเด้ทั้งตัวมันถูกต้องแล้วนั่นน่ะแสดงว่าไฟแก่แล้วต้องเล่นทาต่อไป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 อัญญาโกณทัญญาเป็นกลุ่มของบรรจวคขี่ทั้งห้าใช่ไหมตั้งแต่มานะมะวัปปะพัทธิยะมานะมะอจฉิทั้งหท่านเนี่ยปาวะโกณทัญญาหัวหน้าเพื่อนเนี่ยเข้าใจก่อนเข้าใจว่าไงรู้ไหมเข้าใจแล้วเกิดปิ้งขึ้นมาในใจว่ายังกินจิสมุตทยะธรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับ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 นี่เราจะไปถึงจุดที่ว่ากระทบแล้วรู้เท่าทันถ้าหากว่ากระทบไปยี่ไปร้อยครั้งเนี่ยเรารู้เท่าทันถึง25้าครั้งอันนี้เราได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนะกระทบร้อยครั้งเรารู้เท่าทันถึง50ิครั้งเราเป็นสกิทาขาวมีแล้วกระทบร้อยครั้งเรารู้เท่าทันถึง80ดสิครั้งเป็นอนาขาวมีแล้วกระทบร้อยครั้งเรารู้ทันถึงร้อยครั้งเป็นอะไรเป็นพระอรหันต์ล้เห็นไหม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 พระพุทธเจ้าท่านเพราะท่านเกิดมาท่านมาทำหน้าที่อยู่4อย่างเท่านั้นนะหนึ่งมาเปิดของที่ปิดสองมาหงายของที่ค่วมสมมาบอกทางแก่คนหลงทางสมาชูแสงสว่างแก่คนที่มีดวงตาในที่มืดที่ยังที่ว่ามาเปิดของที่ปิดเมื่อก่อนน้นิจักทุกขังหน้าตาที่มันอยู่ในกายเรามาตลอดชีวิตเนี่ยเราเคยรู้จักมันไหมไม่รู้จักเราก็รู้อธิจักรทุกขังหน้าตา แต่ไม่รู้อยู่ในตำราแต่ไม่รู้จักตัวจริงของมันตอนนี้ที่เราพลิกไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวยกตรงนั้นเดี๋ยวโยกตรงนี้เพราะอะไรเพราะกฎของอะไระกฎของใจรักเล่นงานเราอ่าแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราพลิกเราเปลี่ยนบำบัดความความความไม่สบายกายเนี่ยเรารู้ตัวไหมเพราะเราบำบัดด้วยอะไรสั น, สนชาติยา น, น, ายานเมื่อบำบัดด้วยสันทิยานอะไรเกิดตามมาโมหะอวิชชา ใช่ไหมแต่ณวันนี้เราพอาเรามาเจเริญสติเราสร้างตัวสติสัญญาขึ้นมาแทนตัวสติสัญญาเข้าไปรู้ราทับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการเปลี่ย น, นอิยบทด้วยความรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวการที่เข้าไปตามรู้อนิจักทุกขังตาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอธิจักรทุกขังตาเปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็นศีลสมาธิและปัญญาถ้าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นราคะโทสะโมหะ ทันทีเลยเพราะนั้นตัวรู้สึกตัวที่เราทำเนี่ยจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญมากเราจึงทาเยอะๆทำสติเพื่อให้เป็นสัมปชัญญะทำสัมปชัญญะเพื่อให้เป็นสมาธิทำสมาธิเพื่อให้เป็นปัญญาเพราะนั้นสติจึงเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมทั้งหลายเป็นพ่อเป็นแม่ของศีลของสมาธิและปัญญาภริยาทั้งตรัสว่าอย่างนี้ว่าในป่านเนี่ยสัตว์ทั้งหลาย ทั้งจตุบททวิบาทรอยสัตว์เหล่านั้นไม่มีรอยสัตว์ใดใหญ่กว่ารอยเท้าช้างแต่หลวงพ่อไปดูแล้วแลดรอยเท้าแลดใหญ่กว่าช้างอีกนะสมัยนั้นคงยังไม่เจอแลดนะั้นใดในธรรมของเราตถาคต 84,000 พันพระธรรมขันมารวมรวงในธรรมหมวดเดียวคือสติสติจึงเป็นอธิปไตย สติอธิปัตยสติจึงเป็นใหญ่กว่าธรรมทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเราสร้างสติแต่ต้องเป็นสัมมาสตินะมันถึงจะไปเป็นสัมพยายาัทิ ย, ายาสมรทีและปัญญาให้แต่ถ้าเป็นมิจฉาสติมันก็ไม่เป็นศีลสมุทิปัญญามิจฉาสติสัมมาสติต่างกันเนี่ยโยมไปดื่มน้ำเนี่ยรู้ตัวไหมว่าดื่มน้ารู้ตัวไหม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 เนี่ยมันใกล้ที่สุดเพราะเราดื่มแบบขายสตินั่นเองเราจึงดื่มน้ำมาตลอดชีวิตแต่ไม่รู้จักรสของน้ำโยแม่เกิดมาตั้งเจ็ดแปสแล้วรสของน้ำเป็นรสอย่างไรฮะรสจืดนะก็แสดงมันมีรสอยู่ใช่ไหมแต่มันจืดเท่านั้นเองอ่าง่ายๆหมง่ายง่ายนะรสของน้ำเป็นรสจืดถ้ารสจัดเป็นรสน้ำไหม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 ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาน้ำจ uh ืดไปสร้างเป็นน้ำอื่นขึ้นมาใช่ไ้ยไปสร้างเป็นน้ำอะไรบ้างน้ำสีน้ำสมาธิน้ำปัญญาน้ำเมตตาน้ำบุดิตาน้ำอุเบกขาน้ำขันติน้ำสสจักรก็ว่าไปเพราะนั่นเองจืดไหมน้ำจืดแต่ว่ามันอุ่นนิดๆร้อนหน่อยๆเป็นน้ำจืดัหยก็ยังจืดอยู่นะ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 ก็หมดเวลาแล้วก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเวลาอีกสองนาทีมีอะไรจะถามไหมมีไหมไม่มีเนะยเกินเกลาหมดจุดเข้าใจนะเข้าใจชัดเจนอย่าแจ้งนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจ